ก็ความในมัชฌิมเนีกายมูลปัญ น, นาฏเนะี้มาขึ้นมาหาโคปาลสูตรสูตรว่าด้วยคนเลี้ยงโคเนี่ยนะนะมารู้ว่าวิธีเขาเลี้ยงโคเนะี่ยเป็นอย่างไรบางที่เราไปตามต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นโคเยอะหรือไปอินเดียเนี่ยเขจะเห็นโคไม่ใช่น้อยผู้ที่เขาเลี้ยงโคเป็นฝู ง, งแบบโบราณเนี่ยนะนะไม่มีฟาร์มคือเป็นเจ้าของฝูงโคแต่ว่า ไม่ได้ลักษณะปลูกหญ้าทำฟาร์มในลักษณะแบบสมัยปัจจุบันในข้อ383หน้า52ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ณนะพระเชตวนารามของอนาถปินธิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระองค์ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็คือรับคำนะนะภิกษุทั้งหลายถ้าเป็นสมัยใหม่ก็พระเจ้าข้ามั่พระองค์ได้ตรัธรรมปริยายนี้ว่าภิกษุทั้งหลายนายโคบานประกอบด้วยองค์11ประการไม่ควรจะรักษาหมู่โคและทําหมู่โคให้เจริญได้ก็คือว่าถ้ามี ความประพฤติหรือว่าองค์ประกอบอยู่ในตัวเนี่ยนะสิบเอ็ดอย่างไงเลี้ยงโคโคก็ตายเหมือนกันนะโคยังเลี้ยงไม่รอดเหมือนกันนะที่โยมเขาบอกว่าโอ้ยฝีมือแบบนี้นะเลี้ยงควายควายยังตายเลยเหมืนั้นในลักษณะเดียวกันที่สูบบางรูปก็เออคนเลี้ยงโคบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นนะเลี้ยงโคเลี้ยงโคโคยังไม่เหลือเลยเห่าอนั้นแท้โคไม่ใช่ตัวเล็กๆเลยนะโคตัวเริ่มเลยอ่ะบางทียังเลี้ยงโคยังเลี้ยงไม่รอดเหมือนกัน องค์ส1บอ็ประการของนายโคบานที่ไม่สมควรจะรักษาหมู่โคถึงเป็นผู้ดูแลโคก็ไม่สามารถทำโคให้เจริญได้มีแต่ทำโคให้เสือเส่อมลงเสื่อมลงฉันใดองค์11อประการอะไรบ้างนายโคบานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่รู้จักรูปหนึ่ง สองเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะสามเป็นผู้ไม่เขี่ยไข่ค้างออกไปเสียสี่เป็นผู้ไม่ปิดแผลห้าเป็นผู้ไม่สุมควนหกเป็นผู้ไม่รู้จักท่าเจ็ดไม่รู้จักน้ำดื่ม8ดไม่รู้จักทาง 9. เป็นผู้ไม่ฉลาดในตำบลที่โคเที่ยวหากินสิเป็นผู้รีดนมเสียหมดโดยไม่มีส่วนเหลือเอาไว้เอเป็นผู้ไม่ปรนปรือเหล่าโคอุสุภา คือโคที่เป็นจ่าฝูงอันเป็นพ่อฝูงเป็นผู้นําฝูงด้วยการปรนปรือเป็นพิเศษนายโคบานประกอบด้วยองค์11ประการเหล่านี้แล้วไม่ควรจะรักษาหมู่โครหรือทําหมู่โคให้เจริญนะว่แปลว่าตอนแรกเลี้ยงเป็นฟาร์มไงตอนหลังตอนหลังเข้าหนักหนักเข้าก็เหลือเหลือแต่คนเลี้ยงอะนะโคไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วกรียกว่าทํายิ่งทํายิ่งหมดตัวในที่สุดก็ ก็เป็นอะนะบางคนเนี่ยพรับไปไปซื้อโคมาแล้วเพื่อจะมาเลี้ยงโคเนี่ยเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยหมดตัวเลยก็เพราะว่าความที่เป็นผู้ไม่ฉลาดไม่สามารถที่จะรักษาฝูงโคได้ไม่สามารถที่จะทําโคให้เจริญนะแต่ละอย่างเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายเปรียบโดยลําดับกับพระพิสุด้วยเหมือนกันว่าพิกษุโง่ก็เหมือนกันเนี่ยนะคนเลี้ยงโคกับพิสุโง่นี่พอกันนะไหม ภิกษุทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันและภิกษุที่ประกอบด้วยองค์สิบเอ็ดประการไม่ควรจะถึงความเจริญงอกงามภัยบูรในธรรมวินัยนี้หมายความถึงบวชเข้ามาทํายังไงก็ไม่เจริญไม่เจริญในศาสนาอย่างแน่นอนองค์สิบเอ็ดประการเป็นไนภะิกษุในศาสนานี้หนึ่งเป็นผู้ไม่รู้จักรูปสองเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะ สมเป็นผู้ไม่เขี่ยใคร่ค้างออกเสียสี่เป็นผู้ไม่ปิดแผลห้าไม่สมควันหไม่รู้จักท่าเจดไม่รู้จักเดื่ม8ดไม่รู้จักทาง9้าไม่ฉลาดในโคจรสิบเป็นผู้รีดเสียหมดไม่มีส่วนเหลือสิบเอ็เป็นผู้ไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญูมีพรรษาบวชมานานเป็นบิดาภิกษุสงฆ์เป็นผู้นําหมู่สงฆ์ด้วยการบูชาอันล้นเหลื อ, อ น, นะเรียกว่าภิกษุผู้ ประกอบด้วยองค์ส1บประการก็โง่พอๆกับคนเลี้ยงโคผู้โง่เขลาเนี่ยนะไม่ไม่ประสบความเจริญแน่นอนนะได้แต่ผ้าเลี้ยงพันกายไปวันๆหนึ่งแต่ความเจริญในพระาศาสนาไม่มีเลยเหมือนกับนายโคบานผู้โง่เขาก็ได้แต่ชื่อว่าเจ้าของโครหรือได้ชื่อแต่เป็นคนเลี้ยงโคแต่โคไม่เจริญเป็นพระภิเศษก็ฉะนนั้นก็ได้แต่ผ้าเลี้ยงห่มกายไปก็เหมือนกับ คนเลี้ยงโคที่มีโคเลี้ยงแต่ว่าไม่เจริญในพระศาสนานี้อธิบายตามลำดับว่าข้อแรกก่อนนะภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักรูปเป็นอย่างไรคือภิกคนนายโคบานที่ไม่รู้จักรูปอ่ะนะกับภิกษุที่ไม่รู้จักรูปภิกษุที่ไม่รู้จักรูปก็คือภิกษุในศาสนานี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า รูปชนิดใดชนิดหนึ่งรูปทั้งปวงคือมหาภูตรูปสี่และอุปาทายรูปรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเนี่ยนะคือภิกษุผู้ไม่รู้จักรูปไม่รู้จักรูปที่อาศัยมหาภูตรูปอย่างนี้เรียกว่าผู้ไม่รู้จักรูปอธิบายเปรียบตามลำดับเนี่ยนะเปรียบตามลำดับในอัตถกถา อธอถษฐาก่อนเนี่ยนะพูดถึงนายโคบาลที่ไม่รู้จักรูปกับพระภิกษุที่ไม่รู้จักรูปเป็นอย่างไรก็บอกว่าภิกษุไม่รู้จักรูปโดยการนับอขอขอภัยคนเลี้ยงโคเนี่ยนะที่ไม่รู้จักรูปโดยการนับแล้วก็ไม่รู้จักสีของโคอธิบายว่าที่เรียกว่าไม่รู้จักรูปไม่รู้จักโคโดยการนับก็คือไม่รู้จักนับว่าโคของตนเนี่ยมีเท่าไหร่นับไม่ถูกว่ามีโคอยู่กี่ตัว ปกติคนเลี้ยงโคผู้ฉลาดเนี่ย kne, เวลาต้นออกจากโคอกเนี่ยนะเขาไปยืนที่ประตูคอกแล้วค่อยนับมนืนนะมันออกไปตัวหนึง่งก็นับหนึง่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าเนี่ยนะก็นับไปตามลําดับอย่างนี้จนหมดโอกเขาก็รู้ว่าโคทั้งหมดของเขามีกี่ตัวเขานับตอนออกจากโอกแล้วก็ตอนที่เข้าคอกเนี่ยเขาจะรู้แล้วแต่ถ้าไปไนในนับเนี่ยโคมันไม่นิ่งน ะ, ะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปก็นับไม่ได้ครบสักทีหนึ่งนับเกินบ้างนับขาดบ้าง คนที่ฉลาดในการนับโคก็เหมือนกันเขาจะนับเวลาที่โคออ ก, ออกจากค อ, อกและก่อนเข้าค อ, อกเนี่ยนะถ้าเกินหรือถ้าลดเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนนายโคบานนั้นเน่ยนะเมื่อตัวเองไม่ได้นับโคไม่รู้จักโคทั้งหมดมีเท่าไหร่แม่โคของตัวนี่ถูกฆ่านะพออย่างเลี้ยงสมัยก่อนมันมีเสือมีช้างด้วยเนี่ยนะแม่โคถูกฆ่าหรือบางทีเนี่ยอา้า แม่โคหนีตามฝูงโคฝูงอื่นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะตัวเองก็ไม่รู้ว่าวันนี้แม่โครประมาณเท่านี้หายไปไม่รู้เลยว่าหายไปกี่ตัวแล้วเนี่ยนะพวกไหนเป็นโคของตัวบางก็ไม่รู้และมันหายไปแล้วกี่ตัวกองใหม่รู้นะนมันก็หายไปทีนี้แม่โคของคนอื่นดันมาหลงฝูงเข้ามาในฝูงโคของตน อันนัเลี้ยงคนที่เลี้ยงโคจํานวนโคโคมากๆเนี่ยนะเขาเข้าใจเลยคำเนี่ยเพราะว่าเวลาต้อนไปเลี้ยงฝูงโคมันไม่มีฝูงเดียวมันมีฝูงอื่นเข้ามาด้วยแล้วมันมีการสลับฝูงด้วยเนี่ยนะคิดดูนะขนาดบอกอย่าว่าฝูงโคเลยคนเดียวกันเนี่ยไปเที่ยวไปอะไรไปคนเยอะๆบางทีมันยังหลงพวกเลยใช่ไหมเรียกว่าหลงพวกฉันใดโคก็หลงฝูงฉันนั้น ทีนี้เมื่อไม่รู้ว่าไอ้โคโคของเขาเป็นอย่างไรโครของเราเป็นยังไงดันไปต้อนเอาเม่โคของคนอื่นมาไว้ในฝูงโคของตนแล้วก็นับจํานวนเอาทราบว่าเอ๊ะทีนี้ไอ้ความที่ตัวเนี่ยไม่รู้จักโคใช่ไหมไม่รู้ว่านี้ไม่ใช่ของเราก็เลยไม่ไล่แต่เพิดโคฝูงพวกโคของคนอื่นหนีไปเนี่ยนะคือก็เหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ใช่ เหมือนกับอะไรนะเราไ ป, ไปไปรับเด็กนักเรียนเนี่ยเอารถรถเนี่ยไปรับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะว่าเด็กบ้านเรามีอยู่ห้าคนสิบคนเนี่ยแล้วไปเอามาทั้งสิบเอ็ดคนยังไงนะอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่นับแล้วไม่ครบเด็กนะนะขาดไปตั้งสองคนยังไงนะอะไรจะเกิดขึ้นสูญเสียฉันใดเนี่ยนะสร้างแต่ปัญหาฉันใดคนที่เลี้ยงโคทั้งหลายก็ฉันนั้นเนี่ยนะเพราะถ้าได้โคมาเกินไอ้โคที่เกินเนี่ยไม่ใช่โคของเราล่ะคันนี้ยเสียศีลเสียหมายเนี่ยคันนี้ และไอ้โคของตัวเองที่หายไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไปเอาโคของคนอื่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะมันเขาก็เลยเที่ยวแม่โคของคนอื่นเนี่ยต้อนแต่เอาเลี้ยงแต่โคคนอื่นทีนี้ไอ้เจ้าของโคของคนอื่นเขาเห็นแล้วเขารู้ไหมว่าโคของเขาเป็นยังไงอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้จักโคของเขาเป็นอย่างดีเนี่ยนะวันหลังเขาเห็นโคของเขาปั๊บเขาก็คุกขาไอ้นายโคบานคนเนี้ย เจ้านี่มารีดนู่รีดนมแม่โคของเราตลอดการประมาณเท่านี้พาเอาแม่โคของเราไปเนี่ยนะนี่เขาทําไงเขาก็ต้อนเอาฟูงโคของเขากลับไปแต่ก่อนจะฟูต้อนกลับเขาก็ด่ากันยกใหญ่เหมือนกันแหละพัน้นอันนี้แหละตัวเองก็เสื่อมจากอะไรเสื่อมจากเนยใสเนยข้นน้ําเสื่อมจาก น, านมสดนมส้มเนยใสนะเสื่อมจากเปรียง แล้วก็เสื่อมจากหัวเนยใสเรียกว่าปัญจโคโรตมีห้าอย่างอนะนะนมสดนมส้มเปรียงเนยเนยเนย้นเนยใสแล้วก็หัวเนยใสเนี่ยนะก็จะมีพวกลักษณะเป็นจัโคโรตอันนะปลกรงวัวของตัวก็หายไปต้นเอาวัวของคนอื่นมาเลี้ยงเจ้าของเขาก็เอาคืนไปแล้วอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักนับว่าโคของตัวมีเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อไปบอกว่า ไม่นายโคบาลที่โง่เขายังไม่รู้อีกว่าสีสีวัวของตัวนี่แต่ละตัวมีลักษณะอย่างไรเช่นไม่รู้เลยนะว่าโคสีขาวของตัวมีประมาณเท่านี้โคแดงเท่านี้โคดําเท่านี้โคดางเท่านี้โคสีเขียวประมาณเท่านี้เมื่อตัวเองจําแนกสีของโคไม่ออกว่าแต่ละอย่างนี่แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มมีกี่สีเออแต่ละสีมีกี่กลุ่มเป็นต้นจำแนกไม่ได้เพราะจำแนกไม่ได้ก็หลงโคมก็หายเพราะโคหาย โคคนอื่นเขาอาจจะต้อนไปฆ่าก็ได้เนี่ยนะบางพวกใครว่าวิธีโจรโจรสมัยก่อนมันก็ปล้นโคมันก็ขโมยโคแอบย่องใครว่าจูงเอาโคไปทีละตัว2ตัวเป็นต้นตัวเองเมื่อไม่รู้เนี่ยนะเพราไม่เคยสังเกตไม่เคยนับไว้สีขาวมีกี่ตัวโคสีแดงสีเหลืองเป็นต้นเนี่ยนะแต่ละอย่างมีกี่ตัวมันก็หมดฝูงสิแล้วก็บางทีก็ไปเอาโคสีของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเพราะตัวเองจําสีไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฟันตัวเองก็เสื่อม เสื่อมจากปัญจะโครถอันเนี้ยชันใดภิกษุโง่เข่าผู้ไม่รู้จักรูปก็ฉันนั้นเนี่ยนะภิกคนเลี้ยงโคงโง่ฉั้นใดภิกษุโง่ก็ชันนั้นในห้าหน้าหกสิบสามที่บอกว่าย่อหน้าบอกว่าบทว่านรู ป, ปัญอยู่โหติความว่าไม่รู้จักรูปที่กล่าวอย่างนี้ว่านี้คือมหาภูตรูปสี่เนี่ยนะไม่รู้จักระดินธาดน้าํนาธาดไฟแล ธาตุลมเลยนะไม่รู้จักไม่รู้จักรูปโดยอาการเท่าไหร่โดยอาการสองคือโดยการนับและโดยสมุดฐานคำว่าไม่รู้จักรูปโดยการนับก็คือไม่รู้ว่าส่วนแห่งรูปเนี่ยนะในพระไตรปิฎกโดยทั่วไปเนี่ยเรียกนับ25้าอย่างในในอภิธรรมธรรมสังคีรูปปกรณ์นเนี่ยนะนับ25ส้าอย่าง จริงก็ถ้ารวมมาทั้งหมดมันก็ยี่สิบยี่สบแปดนั่นแหละแต่ว่าเป็นวิธีการนับแบบอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะเช่นตาหูจมูกลิ้นกายห้าแล้วใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสโพธาเป็นสิบภาวะนะปริสะเนี่ยนะอิทธิภาวะปริสะภาวะชีวิตตินทรีย์กายวิญยัติวจีวิญยัติอากาศธาตุอาโปธาตุความเบาแห่งรูปความอ่อนแห่งรูปเนี่ยนะเรียกว่าอะไร มุทุตากรรมยตาปากุญยตาเนี่ยนะความเบาความอ่อนความควรการงานและก็อุปจยะสัน ต, ติชรตานิจตาความก่อขึ้นความสืบต่อความแก่ความไม่เที่ยงและก็กระพลิงกระาหนโอชาเนี่ยนะเอน็นไปนะมาทาไมมี25แล้วมันหายไปไหนัน้งปกติรูปควรจะ28ดใช่ไหมกโพธพาเนี่ยนะโพธพาเนี่ยมีสามปทวีโพธพารมเตโชโพธพารมและ วายโพธฐารมอีกอันหนึ่งเลยเนี่ยถ้าทั้งหมดเนี่ยถ้าเอานับโพธฐารมด้วยมีอยู่ยี่สิบเจ็ดทั้งหมดมันหายไปอันหนึ่งคือหายหะทะยะเนี่ยนะหะทะยะนั้นไม่ค่อยได้กล่าวในในในธรรมสังกิณิไม่ค่อยพูดถึงหะทะยะเลยเนี่ยนะนรูปเนี่ยถ้าคิดง่ายๆเนี่ยนะแบ่งเป็นอายตนะภายในกับภายนอกก่อนอายตนะภายในคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายถือว่าคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่าง ถ้าลืมตาแล้วมองเห็นอะไรสีถ้าหูได้ยินเสียงถ้าจมูกรู้เปลนถ้าลิ้นรู้รส ถ, ถ้ากายรับกระทบก็สัมผัสสัมผัสแบบแข็งอ่อนสัมผัสแบบเย็นร้อนสัมผัสแบบแข่งตึงหรืออ่อนไหวเนี่ยน ะ, ะพวกนี้เนี่ยนะก็แบ่งเป็นอะไรเป็นถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยเรียกว่าโอลาริกรูปสิบสองนะใช่หโอลาริกรูปสิบสองก็คือตาหูจมูกเล่นกายห้า สีเสียงเลี่นรสโพธะพะเนี่ยนะโพธปัปฐวีเตโชวาโยนี่ก็รวมเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าก็เป็นส2บสองทีนี้รายละเอียดเนี่ยนะหญิงกับชายเหมือนกันไหมล่ะอ น, นัตาหูจมูกลิ้นกายสีเสียงเปลิ่นรสโพธะพะของชายของหญิงก็แตกต่างกันก็เป็นภาวะรูปจะชายหรือหญิงก็ตามมันต้องมีชีวิตแหละมันจึงจะไปรอดก็เป็นชีวิตอีกเนี่ยนะ